ตอนดอกไม้พยามานภาวนาเห็นเลขและทิ้นเนียเอามาเขียนไว้มันไม่ออกสักตัวแต่ถ้าอยู่เฉยๆแล้วมันปรากฏขึ้นมามันออกหมดทุกตัวสารพัสสารเพที่ภัยอันตรายอะไรมันจะไปยิ่งกว่าจิตของเราหลอกตัวเอง ประเดี๋ยวภาวนาไปพอรู้อันนี้ขึ้นมาบางทีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันขัดแย้งกันอยู่เพราะฉะนั้นทางปฏิบัติเราจะเอาอยางไรมันจะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่างหัวมันเรากำหนดเอาสติใช่ก็ดีไม่ใช่ก็ดีมันเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเท่านั้นอย่าไปสาคัญว่ามันผิดหรือมันถูก ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งวางแผนให้คนทั้งหลายมาช่วยทำเขื่อนคันกั้นน้ำท่านสร้างเขื่อนให้คนมาก่อเจดีย์ในคันเขื่อนที่ท่านสร้างไว้คนมันอยากได้หวยมันก็แตกเตื่นกันไปทาท่านก็เดินดอมๆไปท่านไปเขียนเลขเอาไว้ในกองทรายที่เขาก่อเอาไว้เขียนห้าสบเราเดินตามหลังไปก็ไปเห็นเข้าอาไม่เคยเห็นอาจารย์เขียนอย่างนี้สักที มันต้องออกแน่ทีนี้เจ้าหมอหนึ่งมาหาหวยเหมือนกันก็แอวลําพากอีสานขึ้นมามันบอกว่ามันว่าเป็นภาษาอีสานฟังเด้อหลากากีเส้นมีมาขอหวยอาจารย์มีจนบ่มีเงินสิซื้อเมื่อแม่นดังหมายแปลว่าฟังน้น้องสาวนุ้งสิ้นไหมพี่มาขอหวยพระอาจารย์มีจนหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่ถูกสัที มันว่าอย่างนี้หลวงพ่อก็ตอบมันฟังเดาลากากีสีแสดหวยที่ออกห้าแปดคันไผ่บ่อซื้อให้หมาจุดจุดจุดมันแปลว่าฟังนันน้องหนุ่มนุ่งกางเกงสีแสดหัวยจะออกห้าแปดถ้าใครมีรี่ไปซื้อให้หมาจุดจุดจุดมันที่หลังไอเวย น, นั้นพอมันออกห้าแปดวิ่งมาหาเลยโอ้ย ขอสักตัวแม่นๆไปลําแข่งกับเขาซึ่งก็คือไปร้องแข่งกับเขานั่นเองถ้าได้ยินพระองค์ไหนบอกว่าหวยมันจะออกตัวนั้นหัวใจมันวิ่งนุกนิดขึ้นมามันขัดแย้งขึ้นมาทันทีอุ้ยไม่รู้มันก็ไปบอกเขาอีกตัวที่มันจะออกทาไมไม่บอก คราวหนึ่งไปบินทบาตเดินตามหลังหลวงตาอ่อนพ่อของอาจารย์สำราญเดินไปพุทธาก็เขียนกระดาษแผ่นน้อยๆแจกให้โยมใครมาใส่บาตรเดินใส่ขันข้าวให้ทุกรายก็เลยถามว่าไหนขอดูยหน่อยหน้าบอกเขาตรงไหนกันแน่แต่ว่าในใจมันนึกแล้วว่ามันไม่ออกหอกตัวนั้นแต่ของเราเนี่ยพอเขายกกระดาษน้อยลงในขันข้าวยมทีไร หัวใจมันดินนุกนิกขึ้นมาแล้วมันว่า08วิ่งขึ้นมาแล้วพรวด08พอเสร็จแล้วก็ขอดูพอดูมันไม่ตรงก็เลยบอกว่าหลวงตาจะบอกเขาทั้งทีก็บอกให้มันถูกแกก็ชักโมโหอ้าวงั้นมันจะออกตัวไหนล่ะมันจะออก08ต่อไปนเนี้ยบอกเขา08ไม่ต้องเขียนใส่กระดาษหรอกมันเปลืองกระดาษ ใครใส่บาทก็บอกเขาเลย0ูนย์แปดทีนี้พอใครเขามาใส่บาทท่านก็บอกว่ามาหาว่ามันจะออกศูนย์แปดไทีนี้สายบินทบาทนี่ถูกกันแทบจะทุกคนเลยเสร็จแล้วเขาก็รุมกันมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ออกแล้วละ่ะมันยังไม่ถึงวันมัน มีหลวงพ่อองค์หนึ่งเป็นสมภารสร้างโบสถ์มาสิบกว่าปีมันไม่เสร็จสักทีพอเขามีเล่นหวยกันแกก็ไหว้พระสวดมนต์อ้อนวอนสารพัดหลักพอเสร็จแล้วมาฝันได้เลขสองห้าก็เรียกญาติเรียกโยมมาปรึกษาหารือกันว่าอยากจะขอเงินวัดไปซื้อวัดมีเงินอยู่พันบาทโยมก็บอกว่าโอ้ยมีอยู่พันบาทถ้าเอาไปซื้อหมดเผื่อมันไม่ถูกแล้วหมดเกลี้ยงเลย ท่านมีม้าตัวหนึ่งท่านก็เอาม้าไปจำนำเข้าไว้ได้เงินมา500้บาทถ้าหวยไม่ออกแล้วก็ให้ยึดม้าไปเสียถ้ามันออกแล้วจะมาไถ่คืน500บาทแกเอาไปซื้อหมดเลขสองตัวนี่ร้อยหนึ่งมันก็ได้เจ0 0บาทห7 35ก็ได้ส5 0 0 0บาทภายหลังมาฝันอีกไปซื้อทีเนี้ยถูกเป็นแสนเลยท่านมีเงินแล้วฝันติดต่อกันห้างวด ท่านอธิษฐานจิตของท่านไว้ว่าถ้าได้เงินสร้างโบสถ์พอแล้วจะหยุดพอได้ครบห้างวดเงินสร้างโบสถ์พอก็หยุดไม่ฝันเลยทีเนี้ยชื่อเสียงมันก็โด่งดังไปคนก็มารุมขอท่านท่านก็บอกว่าโยมเอ้ยเดียเ๋ยวนี้เงินสร้างโบสถ์มันพอแล้วมันไม่ฝันแล้วมีองค์เดียวเนี้ยแหละฝันหวยเบอร์สร้างโบสถ์เสร็จ ท่านอาจารย์ผ่านว่ามันเป็นดอกไม้พยามานมันมาหลอกให้เราเสียคนคนขายหวยตำรวจรู้เข้าตำรวจก็จับคนซื้อก็จับคนขายก็จับมันเป็นสิ่งที่ผิดวินัยพระพระไปเล่นหวยมันก็ผิดวินัยบอกก็ยิ่งผิดเพราะว่าบอกแล้วมันไม่ถูกไปอวดอ้างว่าตัวรู้ตัวเห็นแล้วมันเป็นอวดอุตริมนุษยธรรมนะยิ่งหนักกว่าซื้อเสีย อ, อีก